แสดงไว้ว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนี่ธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเกื้อมหมดหวังในวงพุทธวิสัทเราเมืม่อยิเลตัวสำคัญมันปิด มันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเอื่องหมดหวังแล้วแล้วกีเหลือตัวใดและธรรมะประเภทใด ท, ที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนจิเแลแเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไข่เดียวแต่ทําที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยิบยักอยู่แล้จากม่านอันหนาแน่นของจิเล์ที่ปิดตันให้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 เรวพูดเฉพาะวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความสุดเอื้อมหมดหวังเข้าใส่ใจของตัวเองโดยที่ตนก็ถือพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมว่าพระสวดมนต์ให้ตามรักษาสิงอยู่นั่นแหละนี่มีจำนวนมากต่อมากทีเดียวใครจะไปทราบว่า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 ไม่จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้ล่ะที่วัดเสเรจมันละเอียดมันจะแสดงออกยาปโปรนขนาดไหนว่าสุดเอื้อมหมดหวังก็เรียกว่าชาวพุทธเรานิโลกอุตตรธรรมอันนี้ไม่ควรแก่ชาวพุทธเราเลย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 ใจนี้ไม่มีอะไรจะเป็นขอบเขตได้ใจจึงไม่มีขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกั้นเหมือนกับอยู่ในกรงขังหรือในเรือนจำนก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำให้จิตอยู่ในวงจำกัด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 มาให้ใจนี้มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมก่าตามปัญญาธรรมก่าตาั้งอิมุติธรรมก่าตามงถ้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้วพอจะไม่มีทางมองเห็นเลย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 พอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภาคเพียรุิสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตทั้งมีความขยันหมั่นเพียรทั้งการประกอบประโยคพยายามในแง่คิดแง่ อันแหน่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสมบงบร่มเจิตจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ <c oughs> แล้วก็จะแทงทะลุไปเรื่อยๆก็จางไปเรื่อยแล้วผ่านกำแพงอันหนาแน่นของดิเรกไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโดดข้ามไปเลยลิบพังทลายกำแพงนั้นออกมาได้โดยสิ้นเชิงโลกุตละธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่ไม่ถาม พอพ้นจากกำแพงปะัะทัน้นท่านก็เริ่มเห็นกระแสะแห่งโลกเวลาแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอานาคขาเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงพระราชมีกระแสะปรนิพพานภาตพิม์แล้วทั้งวา ย, ยัางน้นโสตะก็แปลวกระแสะกระแสธรรม ชาพุทธเราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองส่วนมากเป็นเช่นนั้นและเป็นอุปสรรคและทําลายคนอื่นได้ด้วยด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นค่าสูตต่อศาสนาธรรมดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่มามรรคผลยิ่ผ่าน จึงไม่อยู่ในขอบเขตจึงไม่อยู่ในความเอื้อมความหวังของคนผู้คิดเช่นนั้นนอกจากจะสร้างแต่า ก, กาแพงอันหนาแน่นกั้นจิดใจของตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสเีิงท่านั้นไม่ได้ฟูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมา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 ทำเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้แบบนิยมว่าเป็นอดีตไม่นิยมว่าเป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่กับสัจะธรรมที่ประกาศตลางวานอยู่ภายในตัวของเรานี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผาสิ่งที่มืดมิดปิดตา สิ่งที่รบกุงรังทั้งหลายได้แก่ความทุกข์หรือทุกข์ขั์ได้แก่สมุทยัทยยัตรต์มีกามตัญหาภวะตัจหาวิภาวะตัญหาเป็นต้นให้พังทลายออกจากนี้ด้วยมักคือประโยคพยายามมีสติปัญญาศรัทธาความเพี่ยนเป็นสำคัญที่จะหนุนตั้นให้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 ให้เป็นความจัดความจินออกได้การปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะตําเนินตนให้เข้าถึงความจินหายสงสัยไปได้โดยลําดับเย็นจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามนั้นเป็นภาพความจําทั้งสิ้นไม่ใช่ภา ค, าภาคาปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส ดีไม่ดีเรียนมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งปลูกมัดตัวเองสังสมกิเลสแต่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเป็นปากเอถ้าไม่สนใจต่อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสังสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทำแล้วกิเลสไม่ได้ ผิวทะเลอกเลยมันรู้โดยความจําเพราะฉะนั้นจึงจะไปทักไปทายไปกําหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มรรคนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสยัยที่เรียบว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิ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 ก็พ้นความสามารถแห่งการดําเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้เรื่องมรคนิพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปนแผนผังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นๆการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไร ให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนะเพราะหลักธรรมะเป็นสวัาขาตธรรมตรัสไว้ชอบไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังยิเรศมันก็สอนไว้ชอบตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทางที่คล่องแวะหลงไปอย่างไม่รู้จุดตัวก็เพราะ ภาวของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิบไว้ชอ บ, ชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบพ่อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปตามไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พินิปิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายติดได้ง่ายล้มได้ง่าย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 ว่าการบําเพ็ญธรรมทั้งหลายยากนั่กคือกิเลสนั่นแหละมันกระชิบให้วาอยากให้เกิดความบิดหนาละอาใจต่อการดำรงความบิดหนาละอาใจนั้นคือเรื่องของกิเลสแต่เราก็ไม่สทราบทำท่านเม่ไสร้างความหนาละอาใจขึ้นมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดทำไม่ได้ทาความทุกข์ให้แก่ผู้ใด ไม่ทำความเดือดร้อนไม่ได้ขีดกันห่วงห้ามผู้ใดที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมด้วยการปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่ขีดที่ขวางที่ปากเสียบขวากน้ําเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดาเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าได้นี่เป็นสิ่งสําคัญมากขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมัน ลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้ฝุดคุ้ยขึ้นมาตามลำดับำดํำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความสุขของธรรมไปโดยลำดับํำดาพระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นผู้ทรงธทรรมอันบริสุทธิ์คือทาได้แจบกความกลินล้วนอยู่ภายในใจิตใจท่านแสดงออกมาทาทุกประเพศที่ออกมาเป็นาศนาสนธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้วภายในพระไทยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ในบทใด จึงไม่ผิดจากความจริงเต็มไปด้ยวยความจริงเต็มไปด้ยวยความถูกต้องทั้งหมดการจดจาของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจามานั้นจําด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าเราเรียนทำคําว่าทำนั้นประถูกกิเลสแทะเข้าไปอีก ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความสําคัญผิดต่างๆว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญ์ชาติกวียิ่งมีขั้นมีภูมิให้สอบด้วยแล้วก็ยิ่งขั้นนี้ภูมนินี้ได้ภูมิสูงภูมินั้นได้สูงขึ้นไปโดยลำดำับๆมันสูงภูมิของยิเละมันไม่ใช่สูงภูมิอัดภูมิถับคือความสําคัญมันหมายว่าตัวนี้นตนชฉลาดษณ์ลึกซึ้งได้หลายชั้นหลายภูมินั่นแหละ เป็นภูมิของจิตเล็กมันตกแต่งให้อย่างลึกลับให้อย่างสนิทใจภายในตัวจึงเกิดความทภาภูมิใจคนเอาว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในขั้งคุตการที่เรียนจบพระไตรปิฎกเกิดความเย่อหยิ่งจองของธนลองตกพระพิลัมพองตนว่าตนรู้หลัก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 ชื่งแบบที่เด็ดแต่ไม่รู้ถ้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเร่งรีบเสด็จมาในที่ชุมนุมนั้นยังไม่ให้เรื่องทั้งหลายเกิดลุกลามพระเหล่านั้นจะตกนรกทั้งเป็นไปทาป่าโปรให้เกิดทรงเมื่อสเสด็จมาถึงก่อนตั้งปัญหาถามตู้พระไกรปีดกที่ยกตนมาเป็น อุ้นหลักนักปราชามันแหละไม่มีตอบได้เนียแต่ประโยคเดียวพอถามนักปาราชบลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติยิ ต, ตะภาวนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักก่อนจริง พระพุทธเจ้าทรงชมเฉยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิีิเทียนผู้ที่เรียนมาจากคำผีโดยการจดจาเฉยๆมันเป็นประเภทใบลานเปล่าๆโดยลำดับลำดาษดังนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่ท่านทนงงตนว่ารู้ว่าฉนะจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้น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 เพราะฉะนั้นการที่จะคาดมรรคผลไม่ผ่านการที่จะคาดเรื่องธรรมทั้งหลายด้วยความจดความจําความเลี้ยงความเมียนนี้มามากน้อยนั้นยังไม่มีทางชุดวิสัยถ้าพูดตามหลักความจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเชี่ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วสุดวิสัยที่จะไปคาดต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเอง ดังที่ท่านแสดงไว้มาสาันทิปีโกตัตตังเวดิตับโบริงดยู่นี่นี่ไม่มีที่ค้านจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะทมไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุอินใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกเล้นกายเป็นต้น ที่จะไปสอบแสวงหาสืบหาร่องรอยของอัดของธรรมเพื่อสัมผัสอัดธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตการนั้นเองไม่มีทางเจอเพราะธรรมไม่ใช่วัตถุและแร่ธาตุต่างๆในสามแดนโลกธานจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธานนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งมวว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วเราจะเอาอะไราไปพิสูจน์ทำแท้นั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริญาตคือแบบแปลนแผนผังเอาจำให้แม่นยงวิธีการท่านสอนว่าอย่างไงจำวิธีการอาไว้นี่ปฏิบตัติให้ดำเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าครอนอย่าเอยนอย่าเอียง อย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจํำปองเข้ามาแทรกแซงจิตใจดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเพราว่าของเกลีดมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสุภคาตาธรรมที่ท่านสอนไว้นดำดาเนินไปดังที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเจ้าสาลงมาณขาบรรดาตจูนี้ทำขั้นเอในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจอำปองทั้งหลายซึ่งมันตกคุมหุ้มหออยู่ภายในอาการตั้งห้าและ อวัยวะทั้งหมดนี้ทาเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจำปลอมทั้งหลายตรงนี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ย ม, มให้จำตรงนี้เอาไว้แ้วพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงสิทเี้ยดมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั้น ก็คือว่าชิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทั้งนั้นมันหาอันไหนงามสำหรับความจริงไปจับเลระหว่างที่เด็กกับทำจะรู้กันอย่างชัดชัดเสชาผมแต่และเส้นแต่ละเส้นนั้นหรืองามแม้แต่เด็กมันก็รูผมเท่านั้นมันเอาอะไรมางามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุโเพ โ, โลนิซึ่งฝัง ปุกเข้ากันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นทมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นเล็บก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปตกเซลมดแล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความกีรังถาวอนความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายมาทาัไม่พักไม่พลาดไม่จากเป็นอนิจจังสุขขังตาไปได้อย่างไรนี่นี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ว่าสุขารธรรมกํากหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้ พิจารณาแล้วพิจรารณาเล่าทำซ้ำซากๆยากำหนดสถานที่การเริ่มเวลาตลอดถึงเที่ยวปี่เที่ยวกี่ตลอด็่วนไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทำงานทำอยู่ที่นี่ไ่าไปทำที่ไหนน่าจะไปเรื่องอื่นก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้เปสาล ม, มานขาต่างๆนันงางาน ท, ท, ที่ตรงไหน คำว่างามนั้นได้มาจากอะไมีแต่ลมๆแมเล้งแมันไม่มีความจริงถ้าว่าไม่งามและเต็มตัวน่าเห็นกันอย่างชัดจตาโตหนังผิวบางๆที่หุ้มหอ่อรอบุรุษตตาฟาไว้เท่านั้นอย่างพวกเราเราทัานทเชื่อกันอย่างจงความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยที่ ที่นี่ใครเต็มไปหดเยิ้มออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิคุณโสโครดูมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องชาต้องล้างไม่ชาไม่ล้างไม่ได้ทรงปิณก็พุ่งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนอื่นถ้าตั้งใจจะดูความปิณมันก็เห็นรู้ทั้งกิ่นเห็นทั้งตัวจริงของมัน ทาบซึ้งด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างตามความจริงของมันที่ประกาศนิสัยออกมาให้เห็นครัเด็กอยู่ตลอดเลยลา น, นี่ยการปฏิบัติการเรียนก็คือเรียนตาม les, อุปัชฌายามาแล้วแล้วเรียนโดยลําพังเราก็ทํานองเดียวกันถ้าปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินเพื่อความจริงเดินอย่างนี้ยาวจา่ความจํานั่นมาอ ว, วดพุงเจ้าของ แล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์หายชีหน้าให้กิเลสหัวเราต่อๆม า, าตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจมเนี่ยถา้าเรียนมามากเท่าไหร่ทําให้จมไปเลยเลยด้วยความสาคัญมันหมายตั้งที่ว่าตรงนี้ผลวนกระหล่มันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแต่งของกิเลสแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริงๆกําหนดดูทตัว อ, อ, อวัยวะมันมีอะไรถ้าปฏิบัติ ค้นควา้าคิดค้นตลบทบถวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนเอาคำจริงที่ท่านว่าปฏิกูลโสโครกนี้เป็นภาพพื้นแห่งการพิจารณาในธรรมขันนี้ซึ่งมันคอยจะจะยิดจะถือเอาความสวยความงามซึ่งมีแต่ลมแต่แรงเข้ามาฝังไม่ใจอยู่เสมอจึงต้องพิจารณจาจนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลาดับตำนาไม่หยุดไม่ถอย ไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจริงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ทําหลักธรรมสอนว่าปฏิกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่ยังว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิงนั้นเป็นภยัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทของตนไปนโดนเอา พิษทั้งมันก็คือความทุกหน้าผากแปดนะแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อความโง่เขลาบัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันนี่นะจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดนนอกจากคนตาบอดหรือคนเชื่อเสืซส า, สา จะโดนจะเหยียบคนมีสติปัญญามีตาดีไม่ไม่โดนไม่เหยียบมีเรื่องของธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้นหลวงดำเนินภาคปฏิบัตินี้ให้แม่งยำเพื่อจะเปิดสิ่งจําตองทั้งหลายอย่างนี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลําดับกำลังทีนี่ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายนี้ต่นับวันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลําดับลำดับความเชื่อความ ลักษณะความเชื่อความเดอมใสความโพอพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะกลมคืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรูก้กันเห็นนันนี้ ท, ทําจิตของเราให้เกิดความเบาบางเกิดความสง่างามที่เคยสศร้าหมองมาก็ผ่องใสที่เคยหนักตึ่งมาก็เบาเย็นสบายมีความสมายจิตตากิดขึ้นเพียงการ น, นี้เราจะหากระวัตถุสิ่งใดแรกวธาตุอันใด นี้จะเจอเราจะไปเทียบเทียมกับเทียบเทียงกับวัตถุอินทรในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงจะเทียบกันได้มันเทียบไม่ได้เพราะจริงนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แร่ธาตุต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าธรรมเทียงแต่สมถะธรรมท่านั้นก็หาอะไรมาเทียบเทียงไมอะไรแล้วแต่เราจะปฏิเสธได้อย่างไร เมื่อจิตกับสมถะคือความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วภายในใจเราจะปฏิเด็ดได้อย่างไงว่าทำอันนี้ไม่หมีหน่ะมีอยู่กับหัวใจนีแต่ความมันไม่เจอเพราะถูกที่เด็ดปิดไว้จึงไม่ได้สัมผัสเมื่อที่เด็ดมัดไว้มัดไว้จะทําที่ไหนจะอาจเอามาสัมผัสที่เด็ดมันปิดป้องไว้หมดเมื่อในดําเนินตามสัจขาธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้า กับทำจริงๆไม่เชื่อกับกิเลสที่เคยหลอกลวงมาหมุนตัวก็ไปสู่ทรรมเห่า น, นี้แล้วทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาบท้าพาอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทุกท่านทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสมันอยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลย <c oughs> นี่เพียงข่านสมัครถก็หาอะไรมาเทียบ เทียงไม่เหมือนกับอะไรไม่ได้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี้แหละอย่าว่าเอาอันเพียงอะไรหนึ่งมาเจือเพียงว่านั้นแช่นี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วหาก็ไม่เจอถ้าไม่หาด้วยวิธีปฏิบัตินี้หาสมถตาธรรมคือความสงบใจ <c oughs> นี่มันไม่มีไม่เหมือนกับอะไรเหมือนมันมีมันอยู่กับใจอะมีอยู่กับใจอย่างเดียวรู้อยู่กับใจอย่างเดียวปฏิเสธก็ไม่ได้ประจักกับใจปฏิเสธได้อย่างไรมีเพียงขั้นนี้เอาทีนี้สงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ ก็เหมือนกันเราจะไปหาอะไรมาเทียบมาเทียงว่าเหมือนกับอะไรนี้ไม่ได้ <g iggle> นี่เพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม่ร่างกายทุกส่วนของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้น <g iggle> แต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่คิดเลส กิจต่างหากเป็นธาตุนะสําหรับรับไว้ทั้งกิเลสรากไว้ทั้งธรรมสำหรับสังสมทั้งกิเลสทังสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนำมาใช้ให้เราสังสมในทางใดเท่านั้นนีเทียบในพันธะนี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะมันไม่มีอะไรเหมือนคำว่าสติคำว่าปัญญาก็ไม่มีอะไรเหมือน ผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทํางานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขุมกัมปีลาภาพเป็นความคลั่งตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นมอมตะจรรันเราจะหาอะไรมาเทียบไปหาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี้แล้วเพียงเท่านี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไรสิ่งใดก็ไม่เหมือนสิ่งใดก็ไม่มี เราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่กับเราเวลานี้ที่ผู้ซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่นี่เราเราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เนืนเวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆให้มีทางสงสัยพระพุทธเจ้าปฏิบัติผ่านนานเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นการเป็นถานที่เป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลธรรมชาติ ที่ว่าทำแท้ทำแท้นั้นจะปรากฏขึ้นจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่หลยและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพ ร, ระองค์สาวกอรหันทุกๆทุกๆองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนะถ้าธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การไม่สานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นกระทำทั้งดวงนี่ทำทั้งดวงเข้ากันได้อย่างเสน็ทเนีย่ยเราพูดถึงถ้ำข่านแห่งธรรม เป็นขั้นๆกม็มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไรสัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะทําเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุนี้ที่ว่าเป็นโลกนี <S <S ่ใจแต่นั้นจะเป็นผู้ราบชาตเป็นผู้สัมผัสน้ำผ่านเป็นผู้ส่งไว้เป็นผู้ยืนหยัดเอาละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็ก็เป็นอย่างทําลองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า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 มองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำหยาดนี่เรื่องธรรมแล้วใจกับธรรมเป็นของละเอียดพอกกันทําไมจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมที่มันมีอยู่มีอยู่นั่นเวลานี้สถิติธิของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติที่ยืนยันธรรมที่มีอยู่นั้นคืออะไรก็คือใจใจกับธรรมเป็นละเดียดกันแล้วถามที่ไหนถามอะไรอืนี่ลักษณะสันติโกดูเองรู้อยู่จําพอใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติ สามารถรู้ทำคนาดนั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสยัยปัจเจตัง ย, ยิยิตบูริโยนิท่านผูรู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดทำขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น <c oughs> เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับจิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สั่งสอนนี้ ผู้ทาท ส, สอนใทานั้นเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจ ร, ริงด้วยสันพิติโกและปัจจังเวตโบวินโยห์นิโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมดนี่เราทำแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับส่วนที่จะรู้จะเห็นกับธรรมคันนั้นนั้นได้เช่นเดียวก็เขาปรับพื้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานี น, นั้นแล้วฟังได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าวยุคยไม่ว่าโทรทัศท์ประกาศที่ไหนทวีบใดก็เถอะอย่างสมยัยตะวันนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังไนดะ้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูจะตาเชื่ออะไรนั่นเพียงเรื่องนอ้นองๆ น, นี่จะก่อนถูกวิสัยเดี๋ยวนี้มันถุกวิสัยไหมพูดเรื่องเหล่านี้ใครจะเชื่อจะก่อนเรื่องเรื่องหอเรบินอย่างนี้ตั้งแต่เท่าแก่โบราณโบราณไม่ได้ชื่อแล้วว่าคนหอได้มีเรือหอเรบินเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อ พยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนําสิ่งหนงนั้นมาประกอบแล้วผิดขึ้นด้ยวยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นไหมให้เวลานี้อันนี้ก็ทําให้ประกอบขึ้นด้ยวยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมไปใครจะสงสัยทั่วโล ก, กดินแดนก็ตา ม, เร า, มสสเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยเพียงองย์เดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึงผู้ใดขอให้ดําเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี้แหล ทำเป็นธรรมาที่สดสร้อนร้อนอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราอยู่สุดร้อนอยู่ตรงนี้ทำก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นทีน่นี่อืถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปด้วยลําดับธรรมดาขาากําแพงอันหนาแน่นก็หนาแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บงังคับใจธรรมเองเป็นผู้ที่จะกําจัดความมืดบอดนั้นด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นสาคัญพากันดําเนิน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 อาการที่ออกนํามาพูดนี่ก็พูดได้อย่างนี้แหละใช่ย่างจิตเว้องวางไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันุไม่มีไม่อีู่ในอำนาของใครที่นี่อิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนใครนั่นทั้งที่ละเอียดหมายธรรมไม่ไม่สุดสมมตุติไม่สุดเอื้อมของสมมุติจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้อย่างไงสมมตินังเอื้อมถึงอยู่ ทมก็ยังไม่ประเสริฐเลยอาจจะกระทั่งสมมุติทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเท่าไม่ถึงแต่ก่อนเราเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหังทีนี้เอาให้สมมติกิเลสทันหามันสุดเอื้อมหมดบวังภายในจิตใจของเรามันไม่ได้เหรือธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดสดร้อนร้อนเพื่อให้กิเลสฉุดเอื้อมหมดหวังแจ้กันกับคําที่ว่านีมรรคผลิพพานสุดเอื้อมหมดหังเพราะกิเลสฉุดลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใตเละไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังมัดนี้เรา พังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกําแพงแผงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันให้มันพังทลางไปเอาไอ้กิเลสมันสุดเอื้อนหมดหวังแน่ท่านน่ใจอยู่ที่ไหนเชว่าสบายเชือไม่สบายมันก็พูดไม่ถูกตรงนั้นล่ะถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินันจริงๆแล้วพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่เมือม่ออยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อพูดผููดําเนินต้องแนะนำยุริยาของธรรมทลายออกมา จึงกล้าพูดได้ว่าทำแท้เป็นอย่างหนึ่งเี่ยอาการของทำเป็นอย่างหนึ่งเนี่คำคิวบศรัสธนธรมศรสนธรรมแปดมื่นจีพเมธธรรมะขันธ์หรือมากยิ่งกว่านั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้นแล้วเป็นแบบแผนแผนถังเป็นทางเดินทางก้าวเข้ามาสู่ทำแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าวเข้ามาสู่นี่ถึงธรรมนี่เป็นลบบนําดับลําดาจนกระทั่งถึงธรรมบรรลุยอดของธรรมแล้วหมดปัญหาโดยตการทั้งปวง นี่แหละคือทำแท้ตัวนี่นะไม่เป็นอย่างอื่นต้องพากันเอ า, เอาจริงเอกจําต้องฝืนกิเลสการฝืนเราอยากเข้าใจว่าทําพาฝืนให้ทำความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ก็ดีไม่งั้นก็พอจะดําเนินอัดทำบําเป็นคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นค่าสุดของตนเสียทั้งๆ้งที่กิเลสตัวเป็นตัวค่าสุดมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษทำมันเสียฆ้าไม่ออกตายเลย จมพอจะดำเนินสติปัญญาสัทธาความเพียรทางด้านจิตตภาวนาทําให้เกิดอ่อนเปียกไปหมดนั่นเห็นหมายกิเ็สมันตีคนอ่อนเปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวไม่เแต่เรื่องของกิเลสกนมางาของกิเลสทั้งมวลไม่มีทำแทกดูนิดหนึ่งเลยนี่ให้จำเอาไว้นะักปฏิบัติแล้วําพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไป ดันรู้เห็นทำตามหลักพิพุทธิย่อทรงสอนเมานี้แล้วคําพูดเหล่านี้จะมากังวลอยู่ที่หัวใจท่านทั้งหลายแม้ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะแต่ไม่สําคัญในการล่วงไปในคําพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สําคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวาลขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจำเป็ออกหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้ท่านท่านทธิย่อสงสาผู้ใดเห็นธรรมพุนท น, พนั้นเห็นัานนสาโกรท่านบอกการสถานที่เมื่อไรท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้น ผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาลาตถาคตแน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นลาตถาคตก็คือผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำนั่นแหลเป็นผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นลาตถาคตโดยลำดับมนาจนกระทั่งเห็นเต็มองคได้จากจิตที่บริสุทธิ์ด้วนๆเต็มที่แล้วนั่นและคือเห็นลาตถาคตเต็มองสงสายที่ไหนนังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นันพูดแล้วยกมือไหว้ทันทีโห้ยพูดท่านพูดอย่างอาถรรพ์พอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วท่านพูดแล้วก็สาาโท่นนวี อเมื่อถึงขั้นความจริงมันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครแม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ตั้งหน้านี่ก็ไม่ทูลถามถึสว่างนี่เลยนะจะถามอะไรมันเป็นอันเดียวกันนี่นะนี่หมายถึงนั้นถามทำไมถามให้โง่ทําไมท่านว่าแหมท่านพูดอย่างแบบรู้ทันจะนะคือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างจริงใจท่านทรงมาอย่างเต็มใจเพราะว่าเวลาท่านแสดงออกก็แสดงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างอาถรรพ์ ไม่มีสะทกสถานนั่นแหละจริงแล้วตามถ้าลงได้ประจักษ์ในหัวใจแล้วสะทกสถานที่ไหนเอ๋อที่ทำมาเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุกองคนี่น่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนแก้มลงไปตรงไหนมันขัดมันข้อมันยุ่งมันเยอะเอาตรงนั้นอันนั้นคือกิเลสมันขี้เกียดตัวที่เกียจคือกิเลสมันอ่อนแอตัวอ่อนแอคือกิเลสเอาลงไปทำไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทำไม่ได้อ่อนแอมรรคผลที่ผ่านไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาให้คนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทําจิตใจให้อ่อนแอ จะให้อ่อนเปียบให้ถือตรงนี้เป็นหลักสาคัญนะไม่งั้นแต่ก้าวไม่ออกจะถูกพิเรียบเยียบอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก่อนมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนั่นตายแล้วนั่นนั่นเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังที่นี้ก็ไม่เอื้อมเลยสิอเดินจงกรงไม่เดินนั่งจงมัติจ็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาแล้วมันสุดเอื้อมแล้วมันหมดหวังแล้วอสิ่งที่ไม่หวังคืออะไรมันเยียบคออยู่นั่นนะรู้ไหมน่ะ ถึงที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมภานาคของมันนี่ที่ว่าขี้เหร่มันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่พั่านเหยียบหัวมันไปซะก่อนจะไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นไยมันเป็นภัทตัวของเรามันเป็นตัวเห ย, ยียบย่าทําลายเราเป็นมันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดเพลินกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกฐานนี้เป็นเรื่องเพลินของขิเหร่ทั้งนั้นโลกขั้งหลายดิอยู่ใต้นากมันโดยไม่เห็นโทษเห็น ไทยอะไรของมันนี่เพราะว่าเพลงมันแหลมคมมากเพลงมันละเอียดป่อนมากอ้อยอิ่มากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพลงใดออกมาสัตโลกปิดทั้งนั้นถ้าเพลงของธรรมยังไม่แทรกเข้าไปจะติดติดติติ ด, ต ด, ตดนี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไป มันจะค่อเปิดตัวออกไปเปิดตัวไว้เปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมโลกทีเดืรถของธรรมโลกที่เดืดเป็นคู่แข่งนันไปโดยเดิมดับโดไม่ต้งถึงทุ่งทะลุไปหมดเฮตุใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภายัยเราเกิดจะจะตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรพ่านเสียหายตายตัวที่ตัวภยัยตัวมหาภายัยนี่แหละนี่เท่านั้นธรรมถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงคันนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ธรรมจะพาเกิดพาตาอีกไหมเมื่อถึงธรรมชาติที้แล้ว หมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของไม่สงสัยถามอะไร น, ะนั่นเนี่ยสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลยผมพายามเอาให้จริงจังเลยการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิต ด, ดูกำลังมาตั้งกับตั้งการเมตกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเอาไปของกิดดเลสไปเหยียบย่ำทาลายมันเป็นของอัศจรรย์ที่ไหนกิเลสนะแล้วเวลาเหยียบย่ำทาลายจิตใจเราเอาเอาความอัศจรรของจิตมาจากไหน เพราะดำเนินทําให้ทําให้คล่องใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดิ่มแบบจนกระทั่งถึงความละเอียดของจิตปัญญาศรัทธาความเพียรใจขั้งตัวนี่เห็นความแปลกประหลาดเช่นเขาอาจารย์โดยลําดับหนักเนียบที่ท่านว่าเอาความความเพียรเป็นก็เป็นตาก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่มาจากอยู่กับใจใน การทำทั้งหลายมันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทไมาทั้งสองสอย่างนี้หนุนกันแล้วจะไม่หีกําลังมากถึงขนาดท me. ี่ว่าเป er ็นก็เป็นเถิดตายก็ตายเถิดขอให้ปลุกพ้นอย่างเดียวเท่านั้นนานนี่แหละกําลังของธรรมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกําลังของกิเลสเวลาการกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาความเพียรอะไรแต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่ก้างมีแต่กระดูกเราไม่รู้มันติดคอแล้วถึงจะรู้ ติดคอแล้วมันสายไปแล้วคืนงไปแล้วไปขวางอยู่ในท้องอยู่มันก็ยิ่งสายดีค่อยจ ะ, ะตายเท่านั้นนัน่นและที่เห็นมันขวางกวนขวางอย่างนั้นเราไม่เห็นเลยข้าวมีแต่กาดเต็มอย่แง้วมันก็ไม่เห็นก็ เ, เข้าใจว่าข้าวอร่อยดีนะั้นใส่ข้าวข้าวลงไปเฮ้ยปว ด, ดเรียดเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปรียบนะเทียบนี้นะคือความละเอียดแหลมคมของยีเหลียนี่แหล้วอียดจริง ไม่ทําเท่านั้นที่จะฟัดเหี่ยงเั่านั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากให้มันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟัดเบี่ยงกันพอถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการเปน็นิตติเตียนชี้เหล็กจับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะลายนี่นี่ท่านยกขึ้นมาอย่างนี้นยกขึ้นมาเพื่อเพื่อสมมูิที่ผู้อยู่แนวสมมูิผู้จะแกสมม้สมมูลชี้เหล็กกับธรรมจึงเป็นสมมุูลต่ำๆกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้ว เราก็ไม่ต้องพูดเลยจำชื่อเรียกว่าสันติติโกนี่อันแทกิมนั้นพูดไม่ได้นั่นนั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรกันไม่มีคู่แข่งไม่มี อ, อะไรว่าจะควรตำหนิอะไรที่จะควรชมพอตั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติทานไปแล้วตีอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะามาแข่งไม่หมดแล้วท้าก็ดูงแต่ภายนอกไม่ดูภายในหมูก็ฟังจาภายนอกไม่นอเข้ามา ให้เป็นผลประโยชน์จากตัวเองมันก็เป็นตากิเลรหูกี้เหร่จมูกขี้เลส่ทั้งหมดมองไปมีเแต่ขก้เหร่มันเดินโอ้ยหลังไหลออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเป็นคนจนหาทางเหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยขี้เหร่ทางสายไหนสายไหนมีแต่ขี้เหร่เดินเป็นแถวเลยนะอืมไม่เพียงแตเป็นแถวแออัดอออกทางตาก็แออัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทั้งนั้นเต็มไปด้วยขีเหร่เดิน เวลานี้ทางเนี่ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสดดูีิเดลดเหยียบย่ําทํำลายกิเลสคลองเอาทําให้เดินบ้างที่ตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมแล้วยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมสิ่งลื่นลถอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขึ้นทันกันทันกันทันกันแก้กันปัดเครื่องกันเข้าใจกันปล่อยวางกันไปโดยลําดับนานที่นี่ทําเดินนั่นตาหูจมูกลินกายจิตเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงปิดกลายเป็นทางเดินของของธรรม ทั้งที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้งแผงธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้งแผนอันเดียวกันทั้งหมดปัญหาพากันปั่นใจเพืปฏิบฤฤฤฤฤฤฤัติการอยู่ด้กันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนะเคยพูดแล้วนะอย่งการพราพาจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ให้เรานอนใจอันใดที่ที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจ ปรับเป็นปากตาได้ให้รีบเขี่ยในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญเราจะไปสงสัยกับอะไรๆว่าจะวิเศษวิโสมันทํานองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กองทุกไปกองทุกยืนเดินตั้งนอนกับกองทุกแล้วของเราที่เถิดมาจากไหนทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นเนอะจากที่เด็ดมันจับขยเาออกให้เป็นบ้าไปจานั้นเอาละพูดเพียงเท่นี้